อย่าโยมทั้งหลายตั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปเพื่อให้เป็นปฏิบัติบูบชาแด่ อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องตอนนี้อาตมาจะนำให้ว่าตามทุกคนข่าพระเจ้ า, าแลลึดถึง คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์รา จ, ารจงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้ า, ง า, จ, าจงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธเนกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้าย วางไว้บนตักหลับตานึกถุโทโธในใจกำหนดใจไว้ที่ใจไม่ให้สายแสไปในทางอื่นไม่ให้มีอารมณ์พยายามที่จะกำจัดมันออกไปเราต้องคิดว่าเราเกิดมาคนเดียวตายไปคนเดียว ไม่มีใครเมื่อเราหลับตาเหลือแต่ใจมองไม่เห็นอะไรนอกจากใจดวงเดียวที่เราพากันเห็นก็คือสัญญาอุปทานท่างนั้นแ ท, ท้จริงแล้วไม่มีอะไรจริงๆเมื่อหลับตาก็มองเห็นแต่ความรู้ มีความรู้อันเดียวเมื่อหลับตาไปแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ทําจิตคือทําจิตให้มีอารมณ์อันเดียวเมื่อมีอารมณ์อันเดียวจิตย่อมจะเป็นสมาธิการเป็นสมาธิของจิตนั้นย่อมจะเกิดปิติความเอิ็ดอิน ย่อมจะต้องเกิดความสุขคือความสบายย่อมจะต้องเกิดความเบาตัวแล้วก็มีความเบาความละเอียดละมุนละม่อมนั่นคือจิตสงบแล้วและจิตเป็นสมาธิแล้วจิตที่เป็นสมาธินั้นมีปรากฏการต่ตางๆให้เกิดขึ้น ไม่เหมือน ก, นกันกับที่เราอยู่โดยปกติถ้าเราอยู่โดยปกติที่ไม่เป็นสมาธินั้นมันมีจิตว่างมีจิตลกลงลังหรือคิดมุ่นคิดนี้มีความฟุ้งซ่านต่างๆอันนั้นคือตามปกติของจิตใจแต่พอเวลาเป็นสมาธิจิตนี้จะ ผิดจากปกติเดิมธรรมดามาอยู่ในฐานะหนึ่งคือมาอยู่ในฐานะอีกฐานะหนึ่งฐานะนี้เป็นฐานะที่เรียกว่าฌานฌานนั้นมีอยู่สี่ด้วยกันปฐมฌานทุติยฌานปติยฌานฌานที่มีสี่คือปฐมฌานมีองค์ห้า คือวิตกวิจารปิติสุเอกคตาวิตกวิจารนั้นได้แก่การนึกพุโทโภพุโทโธเรียกว่าวิตกวิจารพอปิติเมื่อนึกพุโทโภแล้วจิตก็อยู่ที่พุโทโธปิติคือความขนพองสยองกร้าวรู้สึกมันหวิวๆอะไรอย่างนี้เรียกว่าปิติ วิตกวิจารปิติสุขก็คือความสบายเอกคตานั้นคือความเป็นหนึ่งมีเรียกว่าปฐมฌานพุติยฌานนั้นก็มีอยู่องค์สามวิตกวิจารตัดออกไปการนึกพุทโธนั้นไม่ต้องนึกแล้วเหลือแต่ปิติสุขเอกคตาเหลือแต่ความเอิบอิม่ม และความสบายและความเป็นหนึ่งตติยฌานนั้นและเหลืออยู่องสองตัดวิตกวิจารณ์ออกไปตัดปิติออกไปเหลือแต่สุขกับเอกคตา ม, มีแต่ความสบายและความเป็นหนึ่งจะตุทัชฌานที่สี่สุดท้ายนั้นก็มีองสองเช่นเดียวกัน เธอมีแต่อุเบกขาและเอกัตตาเรียกว่าวิตกวิจารณ์ตัดออกไปความเ อ, อิบอิ่มตัดออกไปความสุขออความสบายก็ตัดออกไปเหลือแต่ความวางเฉยกับความเป็นหนึ่งฌานทั้งสี่นี้เรีย ก, กว่ารูปฌานเมื่อรูปฌานนี้ได้รับการพัฒนาหรือทําให้ยิ่ง รูปปัจจานนั้นจะกลับกลายเป็นอรูปปัจจานโดยจิตจะละเอียดลงไปจิตละเอียดลงไปนั้นก็กลับกลายเป็นอากาศว่างเปล่าไม่มีอะไรเรียกว่าอากาสานญรา ย, ยัตนาฌานเมื่อจิตนี้ได้รับการฝึกฝนละละเอียดยิ่งขึ้นไปแล้วก็เหลือแต่ความรู้ ไม่มีอะไรเลยแต่ความรู้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะฌานเมื่อได้รับการฝึกฝนจนกระทั่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรแล้วอารมณ์อะไรความสุขความอะไรก็ไม่มีหมดเรียกว่าอากิญ ญ, ญายตนะฌานในที่สุดถึงที่สุดฌานของอรูปฌานสีนั้นคือ จะว่าสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่เดียวกว่าไม่มีอะไรเอาเลยนั่นเรียกว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนาฌานทั้งหมดนี้เรียกว่ารูปฌานและอรูปฌานฌานทั้งหมดนี้นั่นเป็นฌานที่เรียกว่าฌานโลกีฌานโลกีผู้ที่บำเพ็ญฌานเหล่านี้ได้แล้ว ก็จะไปเกิดในชั้นพรหมโลกเลยชั้นสวรรค์ไปก็ไปเกิดในชั้นพรหมโลกจากพรมธรรมดาจนกระทั่งถึงมหาพรหมอย่างนี้คือผู้บำเพ็ญฌานฌานเหล่านี้นั่นไม่ใช่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดได้ง่าย ผู้ที่บาเพ็ญฌานที่เป็นรูปประฌานและอรูปประฌานนั้นต้องใช้เวลาอันยาวนานบางทีหมดชีวิตก็ไม่ได้บางทีพวกฤาษีไปอยู่ในป่าคนเดียวบําเพญาญ็ญฌานก็ยังไม่ค่อยจะสําเร็จถึงขั้นนี้ฌานพวกนี้ถ้าทําสําเร็จขึ้นมาแล้วสามารถแสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินเดินอากาศได้ มองดูจิตใจของคนได้และลึกชาติผลหลังได้อย่างนี้ถือว่าได้สำเร็จฌานแต่ฌานเหล่านี้นั้นไม่สามารถที่จะกำจัด ก, กิเลสได้กิเลสก็ยังอยู่เพราะว่าไม่ใช่วิปัสสนาเป็นแต่เพียงสมถกรรมฐานสมถะนั้น ถ้าเราบำเพ็ญฌานไปสม่ำโดยสม่ำเสมออานิสงส์แห่งฌานก็ทำให้ไปบังเกิดเพียงแค่ชั้นพรหมชั้นพรหมนั่นอายุยาวนานกว่าชั้นสวรรค์ถึงยี่สิบเท่าเมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ลืมมีความสบายจนลืมแต่ที่สุดถึงที่สุดก็ต้องกลับมาในมนุษย์โลกอีก นั่นคืเรียกว่ายังเวียนไหวตายเกิดพูดที่ไม่ต้องการที่จะเวียนไหวตายเกิดอีกหมายความว่าเมื่อบเาเพ็ญฌานได้แล้วเขาก็ยกอหูรูปฌานออกเสียเอาแค่รูปฌานสี่คือปฐมฌาน ท, ทาตุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเอาแค่ ชาญสีนี้เอาชาญสีนี้มาเป็นกำลงังหันหน้าเข้าสู่วิปัสสนาเมื่อหันหน้าเข้าสู่วิปัสสนาก็จะไปพบไตรลักษณ์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไตรลักษณ์นั้นมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีเพราะฉะนั้น ในศาสนาทุกศาสนาจึงไม่มีวิปัสนามีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเพราะทุกคนนั้นปรารถนาแค่เพียงสวรรค์ปรารถนาแค่เพียงความสุขในเมืองมนุษย์แต่ว่าการที่สาเร็จฌานเหล่านั้นบางทีก็เกิดความเสื่อมเมื่อเกิดความเสื่อมแล้วก็ไปทำความชั่ว สามารถไปตกนรกได้สามารถไปเกิดเป็นสติไรชาญได้เพราะว่ายังไม่ใช่นิยตะบุคคลเป็นอาณิยตตะบุคคลดังนั้นการเวียนไว่ายตายเกิดหรือว่าการแปลเปลี่ยนย่อมมีแก่ผู้บำเพ็ญฌานแต่ว่าถ้าผู้ใดหันเข้ามาสู่วิปัสสนานั้นวิปัสสนาเป็นทางเดียวเท่านั้น ที่จะทำคนให้พ้นทุกข์คือพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ดังนั้นในวิปัสสนาพระพุทธองค์จึงทรงตรัสให้เกิดเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นั้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอานิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตน อย่างนี้ทั้งสามประการนี้ถ้าพิจารณาได้ก็ถือว่าเราได้เริ่มวิปัสนาแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าสเพสังขาระอนิจจติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงยาดาปัญญายปปสติเมื่อใดผู้บุคคลผู้ใดทำให้เกิดปรากฏขึ้นแล้วอัฐานิบินติดุเข จากนั้นผู้นั้นจะเกิดความเบื่อหน่ายเอสัมมคโววิสุทธิยานี้คือหนทางไปสู่พระนิพพานสเพสังขารอาอนิจจติสังขารทั้งหลายเป็นของไ ม, ม่เทียงยาดาปัญญายปสติเมื่อใดผู้ใดทาให้ปรากฏอัถานิบินติลุเคเฆเมื่อนั้นบุคคลผู้นั้นจะเกิดความเบื่อหน่าย เอสัมมคโววิสุทธิยานี่คือหนทางพระนิพพานสัพเพธรรมาอนัตตาติทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนอย่าดาปัญญายาปสติบุคคลผู้ใดทำให้ปรากฏขึ้นแล้วอัถานิบินติดุกเฆบุคคลผู้นั้นย่อมจะมังเกิดความเบื่อหน่ายเอสมะมมคโควิสุทธิยา นี่คือหนทางพระนิพพานพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสยืนยันเช่นนี้ต้องการที่จะให้พุทธบริษัทพ้นไปจากทุกข์เสียไม่ต้องมาพากาันเวียนไหวตายเกิดลำบากลำบนกันอยู่ในเมืองมนุษย์นี่เพราะฉะนั้นท่านจึงได้ยกวิปัสสนาขึ้นเพื่อให้พากาันพิจารณาการพิจารณาทุกข์ การพิจารณาความไม่เที่ยงการพิจารณาถึงความไม่ใช่ตัวตนนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ฌานเราจะพิจารณาโดยที่ไม่มีฌานนั้นยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็ต้องบำเพ็ญฌานอยู่ดีแต่ไม่จำเป็นต้องไปบำเพ็ญถึงอรูปฌปาน บำเพ็ญแต่เฉพาะรูปฌปานเท่านั้นก็พอแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาพิจารณาการพิจารณานั้นท่านให้พิจารณาเปรียบเหมือนกันกับผู้ที่เดินเรือใบเมื่อเวลาเดินเรือใบไ ป, ไปในกลางทะเลเมื่อเวลาลมจัดต้องลดใบเมื่อเวลาลมพอดีก็กลางใบ แล้วเรือก็จะแล่นไปตามความประสงค์หากว่ามีคลื่นก็ทอดสมออย่างนี้เป็นต้นฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลผู้ที่จะบำเพ็ญวิปัสสนาต้องพิจารณาแต่ว่าการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงความเกิดแก่เจ็บตายนั้นไม่ใช่ว่าจะให้พิจารณาไปตลอด ก็เหมือนกันกับเรือใบที่แล่นไปในทะเลนั้นต้องไม่แล่นไปตลอดเมื่อเจ อ, เอลมสลาตันหรือลมใหญ่ต้องลดใบทันทีนิฉนั้นเรือจะควา่าถ้าหากว่าเมื่อเวลาจอดไม่ทอดสมอถูกคลื่นตีมาเรือก็คว่ำเพราะฉะนั้นจะจิงเปรียบเหมือนกันกันกบผู้บำเพ็ญวิปัสสนา ผู้ที่จะบำเพ็ญวิปัสสนานั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาแล้วและปลับคืนมาหาความสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ยกออกไปพิจารณาสักครู่หนึ่งแล้วก็ย้อนกลับคืนมาทำความสงบใหม่ไม่ให้พิจารณาไปตลอดเวลานั่งสมาธิเมื่อพิจารณาเช่นพิจารณาถึง ความไม่เที่ยงร่างกายของคนเหล่านี้เกิดมาก็าหนุ่มสาวเกิดมาแล้วทีนี้ก็แก่ไปเมื่อแก่ไปแล้วเนื้อก็เหี่ยวหนังก็ยานในที่สุดก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บป่วยขึ้นนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงต่อจากนั้นก็สิ้นลมหายใจก็เรียกว่าตายก็เรียกว่า อานิจังมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปอย่างนี้คือการพิจารณาวิปัสนาเมื่อพิจารณาอย่างนี้สักครู่หนึ่งก็วางเฉยเพื่อหมายความถึงว่าเราจะต้องตั้งต้นร่างกายอันนี้ไปตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่ชาราแล้วก็มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็ตายไป การพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาแต่ต้องพิจารณาเพียงชั่วระยะเหมือนกันกับเรือในแล่นไปในมหาสมุทรเรือใบเมื่อถึงเวลาลมแรงก็ลดใบลงถึงเวลาอันสมควรก็ทอดสมออย่างนี้เป็นต้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็มาพิจารณาถึงความทุกข์ความเกิดนั่นก็เป็นทุก ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์อย่างนี้เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็พิจารณาให้ยิ่งขึ้นไปว่ามันทุกข์อย่างไรเช่นเมื่อเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่มันทุกข์แค่ไหนเมื่อเวลาไม่มีสิ่งที่เราต้องการมันเกิดความทุกข์แค่ไหน เมื่อเราต้องการสิ่งใดไม่สงความปรารถนามันทุกข์แค่ไหนในเมื่อเวลาที่คนรักคนชอบของเราต้องตายไปเราทุกข์แค่ไหนอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกขังคือความเป็นทุกข์ย่อมจะต้องเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เื่อว่าเป็นวิปัสสนาอีกส่วนหนึ่งอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนนั้นเราต้องพิจารณาว่า อ, อันร่างกายของเรานี้มันเป็นเพียงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นลักษณะแข็งก็เรียกว่าดินส่วนที่เป็นลักษณะอ่อนเหลวก็เรียกว่านา้ําส่วนที่พัดไปพัดมาก็เรียกว่าลมส่วนที่ทําร่างกายให้อบอุ่นก็เรียกว่าไฟ มันเป็นธาตุทั้งสี่จริงไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใดทั้งสามประการนี้มันเป็นเรื่องของการทวนกระแสจิตคนเรานั้นรักสวยรักงามคนเรานั้นไม่อยากพูดถึงกองทุกคนเรานั้นถือว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตัวตวนนี่เราถือกันมา เมื่อเราก็รู้จักกันมาโดยในนี้แต่วิปัสสนานั้นเป็นส่วนที่ทวนกระแสคือทวนกระแสของโลกเมื่อเขาว่าตัวตนวิปัสสนาก็ว่าไม่ใช่ตัวตนเมื่อเขาว่าเที่ยงวิปัสสนาก็ว่าไม่เทียงเมื่อเขาว่าเป็นสุขวิปัสสนาก็ว่าเป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าผูดที่มาบงเพ็ญ พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเรียกว่าพิจารณาหลายครั้งเลือกเกินครั้งแล้วกบครั้งเล่ามันก็จะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นก็คือวิปัสสนาวิปัสสนานั้นมีเก้าประการนับไปตั้งแต่นิพพายานจิมมุนจิตุกามายตาญาณผังไคญาณเป็นต้น ยานนั้นได้แก่ความอย่างรู้หรือสิ่งที่พอเพียงแห่งความต้องการแล้วเกิดขึ้นเรียกว่ายานในการที่พิจารณาให้เกิดความเบื่อนหน่ายขึ้นนั้นความเบื่อนหน่ายเขาเรีย ก, กว่านิพถญยานถ้ายานใดเกิดขึ้นเหมือนกันกับนกกทาที่อยู่ในกรง พยายามที่แอบพยายามอยากจะเจาะลูกรงเมื้อกวาสับกรกงอยู่เรื่อยนั่นเขาเรียกว่ามุนจิตุกามยตายานหรือริอพสนาญาณหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นเห็นความเสื่อมสลายหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลืออย่างนี้เรียกว่าพังขยานถ้าเราทำได้อย่างนี้ ก็วิปัสสนาก็เกิดขึ้นกับเราแล้วแต่วิปัสสนาที่เกิดขึ้นนั้นพึงพากันเข้าใจว่าไม่ใช่สําเร็จยังไม่สําเร็จวิปัสสนานั้นเรียกว่าเป็นเพียงการกรรทำอันหนึ่งเพื่อที่จะให้เป็นการขัดเกลาจิตให้บริสุทธิ์ขึ้นตามลําดับแต่ยังไม่ใช่ถึงขั้นสําเร็จ ถ้าขั้นสาเร็จนั้นจะต้องบำเพ็ญวิปัสนาไปอีกให้เกิดนิพายานนั้นนักครั้งไม่ท่วนเมื่อบำบำังเพนจิตให้เกิดความเบื่อนหรือเกิดความที่มีจิตคิดอยากออกเหมือนนกกระทาที่สับกรงอยู่หรือเหมือนกันกับมองเห็นหมดสิ้นทุกอย่างอย่างนี้ เรียกว่าวิปัสสนาถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาก็จะต้องให้เกิดอย่างนี้ขึ้นไปตลอดผู้ที่จะบำเพ็ญวิปัสสนาอย่างจริงจังนั้นเขาจะต้องกำหนดให้รู้ว่าการทำจิตให้เกิดนิพพทยานนั้นให้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราได้กำหนดจิตอย่างไรเราได้พิจารณาอย่างไรให้จดจำเอาไว้ แล้วก็ทำอย่างนั้นอีกความเทนิพิทายานก็จะเกิดต่อไปตามลำดับอันนี้การที่จะพิจารณาให้เห็นเช่นนี้นั้นด้วยอำนาจแห่งกระแสคือกระแสจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วนั่นเองถ้าบุคคลมําเพญให้เกิดขึ้นเช่นนี้ได้แล้วบุคคลผู้นั้นก็จะได้ไปพบ ความรู้อันหนึ่งความรู้อันหนึ่งนั้นเป็นความรู้ที่เรียวกว่าทวนกระแสะจิตผู้ที่มองเห็นความทุกข์คือร่างกายอันนี้ต้องแตกส ล, ลายไปตัวผู้เห็นย่อมจะต้องมีการแตกสลายการมองเห็นนั้นก็เหมือนกับไฟฉายเมื่อเราฉายแสงออกไปที่สำคัญที่สุดคือตัวไฟฉาย ตัวไฟฉายนั่นจึงจะตัวไฟฉายนั่นจึงจะชือว่าเป็นตัวต้นตระกูลหรือเรียวกว่าเป็นตัวต้นทางถ้ามีไฟฉายอยู่แล้วจะส่องแสงสว่างอะไรก็ได้หรือเมื่อเราที่จะมองพิจารณาเห็นร่างกายนทุกส่วนเห็นความแก่ความตาย เราก็ต้องทวนกระแสจิตว่าใครเป็นผู้เห็นผู้เห็นนั่นแหละเรียกว่าเป็นตัวต้วตนตระกูลหรือเรียกว่าถีติภูตังเมื่อเราทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้นั่นเรียกว่าสำเร็จคือสำเร็จขั้นหนึ่งแต่จะเป็นชั้นไหนนั้นเราไม่ต้องไปสมมติมันขึ้นแต่ถือว่าสำเร็จขั้นหนึ่งการทวนกระแสจิต ที่จะกลับคืนขึ้นมาถึงที่ตั้งของจิตนั้นจะต้องทวนกระแสหลายครั้งจึงจะทวนกระแสกลับคืนมาตั้งได้เหมือนกับผู้ที่มองเห็นความแก่ความตายของร่างกายนี้แล้วก็ทวนกระแสถามว่าใครเป็นผู้เห็นอยู่อย่างนี้ตลอดก็จะถึงวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อถึงจุดความเพียงพอแล้ว จะตกหนองอ้ออ้ออยู่นี่เองหรือถ้าถึงเช่นนั้นแล้วเรียกว่าผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีบา ร, รมีสูงสามารถถืบพบได้ถ้าเมื่อพบได้แล้วผู้นั้นก็จะเจริญวิปัสสนาได้อย่างคล่องแคล่วหรือหมายความว่าเป็นผู้จับไฟฉ า, า, า, า, า, ายได้เมื่อจับไฟฉายได้อยากจะฉายเมื่อไรก็ฉายได้เหมือนนั้น เพราะฉะนั้นเรื่องของวิปัสสนานี้จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการดังกล่าวมาแล้วจึงจะเป็นวิปัสสนาได้ถ้าบำเท็วิปัสสนาได้แล้วที่สุดถึงที่สุดจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นถึงเจ็ดประการด้วยกันสิ่งที่จะปรากฏถึงเจ็ประการนั้น คือวิสุทธิเจประการวิสุทธิเจประการนั้นนับม า, าตั้งแต่หนึ่งจิตตะวิสุทธิศีลวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิญาณวิสุ ท, ท, สส ท, ทธิญานะทัศนวิสุทธิปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิทั้งเจประการนี้เรียกว่าความบริสุทธิ์ เจ็ดประการความบริสุทธิ์เจ็ดประการที่จะเกิดขึ้นได้นั้นเกิดขึ้นได้จากวิปั ส, สนาและเป็นเครื่องหรือเป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่จะบอกให้เห็นว่าได้ดำเนินวิปั ส, สนามาเข้าขั้นแล้วจึงจะปรากฏวิสุทธิเจ็ดประการนี้ขึ้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ ตาวิสุทธิก็คือความบริสุทธิ์ของใจความบริสุทธิ์ของใจนั้นคือการที่ทําสมาธิไม่ได้คิดคือไม่ได้คิดอยากจะไปอวดอ้างใครหรือว่าทำสมาธินี่เป็นกาโลบายหรือทําสมาธินี่เพื่อที่จะเอาไปอิงอ้างอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจิตผู้ที่เป็นจิตตวิสุทธินั้นไม่มี ความที่ไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ไม่มีถ้าถึงขั้นนี้แล้วจิตนั้นจะแน่วแน่แล้วก็ไม่มีที่จะไปคิดอาไรแก่ใครและไม่ได้คิดอาฆาตใครเป็นต้นเรียกว่าจิตตวิสุทธิอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของวิปัสสนาและศีลวิสุทธินั้นศีนั้นจะเกิดขึ้น โดยที่ไม่ต้องไปรับเอากับใครจะเกิดวิรัติขึ้นมาในจิตหรือเรียกว่าสำเร็จขึ้นมาในจิตของบุคคลผู้นั้นเช่นจะไปฆ่าสัตว์ก็ฆ่าไม่ได้เพราะว่าจิตมันถึงะแล้วสิ่งนั้นมันบริสุทธิ์ด้วยนั้นด้วยสามารถแห่งสมาธิแล้วคใครจะบังคับให้ฆ่านั้นฆ่าไม่ได้แน่นี่เป็นความบริสุทธ ของสิีลเกิดขึ้นมาเองหรือใครจะไปบังคับให้ขมโมยอย่างนี้อืจะไปบังคับหรือจะไปฆ่าเอาชีวิตแล้วให้ไปขมโมยก็ทําไม่ได้หรือการที่จะไปประพฤติผิดการเมียสมิจฉาจานผิดประเวณีจะไปบังคับให้ทําย่อมไม่ได้มันเกิดขึ้นมาในศีลในตัวเองอย่างนี้หรือการที่จะให้ไปโกหกหลอกลวงใคร อย่างนี้ก็โกหกไม่ได้หรือจะไปบังคับให้ดื่มกินเส้นสุราเมรัยยาเสพติดอย่างนี้ก็คิดไม่ได้เพราะว่าความบริสุทธิ์นั้นเกิดขึ้นมาจากวิปัสสนาแล้วพอมามองเห็นอามองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นทําไม่ได้ถึงแม้ว่าใครจะมาบังคับให้ทําก็ทําไม่ได้ นี่คือสินเกิดขึ้นมาจากลักษณะของการเจริญวิปัสนาผู้ที่เจริญวิปัสนาเข้าขัน้นคือทําไม่ได้ทั้งห้าทั้งสินที่จะล่วงละเมิดนั้นทําไม่ได้ท่านเรียกว่าศีลวิสุทธิจากนั้นก็เป็นกังขาวิตรณะวิสุทธิคือความ คือความสงสัยความสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมมีจริงหรือไม่พระสงฆ์มีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่แล้วอามะตธรรมวิปัสนาหรือสัจธรรมนี่มีจริงหรือไม่ไม่ต้องไปถามคือไม่มีความสงสัยและไม่ได้คิดคิดสงสัยเลย เขาจะไปสงสัยไม่ได้ในเมื่อเขามองเห็นซึ่งสัจธรรมมันเกิดนิพพิทายานความเบือนหน่ายขึ้นมาแล้วเห็นจริงแจ้งไปจกักเพราะฉะนั้นความสงสัยจึงตัดไปได้เลยจึงเรียกว่ากังขาวิตรนะวิสุทธิญาณญาณวิสุทธิคือความอย่างรู้ความอย่างรู้นั้นคือนิพพิทายานที่เกิดขึ้น นิพิธยานที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือความอย่างรู้คือตัวยานเรียกว่ายานะวิสุติไม่ใช่ไปคิดเบื่อเอาหรือไม่ใช่ไปคิดเดาเอาว่าฉันจะเบื่อไหนหรือไปคิดเดาเอาว่าโอ้โหฉันนี่เป็นทุกข์ไม่อยากเจะอยากออกอะไรแล้วเดี๋ยวจะไปฉันนี่คิดเอาว่าโอ้ฉันพนทุกข์แล้ว ไม่ใช่คิดเอาแต่ว่ายานนี้จะต้องเกิดขึ้นเองเมื่อยานเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นยานนึกยานคิดญาณทัศน์นอกจากที่ว่าจะมีความอย่างรู้แล้วก็ยังมีความเห็นคือนอกจากรู้แล้วก็เห็นด้วยหลับตาลงไปเห็นสัจธรรมไปเลยใน ที่สาในที่สุดท้ายคือปฏิปทาญาณนะผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ทำด้วยรู้ด้วยเห็นด้วยทั้งสามประการเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้เรียกว่าวิสุทธิเจ็ดประการอันเป็นสัญลญักษณ์แสดงให้เห็นถึงผู้นั้นได้ดําเนินมิปั ส, สนาเป็นผลสําเร็จขึ้นแล้วในเรื่องของสมถะก็ดีในเรื่องของ วิปัสสนาก็ดีในเรื่องของวิสุทธิเจ็ดประการก็ดีทั้งหมดนี้จะไปรวมกันป ก, กลายเป็นองค์แห่งการตรัศรูองค์แห่งการตัศรูนั้นมีอยู่เจ็ดประการคือโพชทชงเจ็ดพุทธชงคือองค์แห่งการตัศรูนั้นนับไปตั้งแต่พุทธชงคือสติพุทธชง สติโพชฌงปิติโพชฌงปัสสติโพชฌงวิริยะโพชฌงไปจนกระทั่งถึงอุเบกขาโพชฌงโพชฌงคือองค์แห่งการตัดสรูรนั้นต้องมีสติเรียกว่าความมั่นคงแห่งสติความมั่นคงแห่งสติมม น, สตนั้นสติจะต้องกําหนดอยู่ใน อนิจจังในทุกขังในอนัตตาคือสตินั้นจะกำหนดอยู่ในไตรลักษณ์ตลอดเวลาเมื่อสติกำหนดอยู่ในไตรลักษณ์ตลอดเวลาก็เป็นองค์แห่งการตัดสู้อันนี้เรียกว่าเป็นองค์แห่งการตัดสู้องค์แห่งการตัดสู้นั้นคือการหาวิโต้พุทุลีกะโต สติสัมพุทธจงโคยติสังฆาโตธรรมานังวิเจโยตถาวิรยิยมปีติปัสสติพุทธังคาจะตถาปะเรสมาทุเปกโพุทธังคาจัตเตเตส ป, ประดัสินามุนีนาสมดัฆขาตาภาวิตาปุหุลิกาตาที่พระท่านสวดพุทธชงนั่นแหละนั่นแหละคือองค์แห่งการตัดสู่เรียกว่าเมื่อเป็นวิปัสนาแล้วคือเข้ามาถึงโพชทธชงสตินั้นจะต้องอยู่กับอนิจจัง ทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดและเป็นผู้ที่วางอุเบกขาได้ในเมื่อมีสิ่งที่มารบกวนจะเป็นสิ่งที่มาหลอกหลอนว่าเราได้สาเร็จบ้างหลอกหลอนว่าเราได้ชั้นนี้ชั้นนั้นบ้างสิ่งหลอกหลอนเหล่านี้มาหลอกหลอนไม่ได้เพราะว่าเป็นอุเบกขาพ่นชงเสิแล้วเพราะฉะนั้น ในการปฏิบัตินั้นย่อมจะมีหนทางที่ทำให้เรารู้ที่แสดงมานี้เป็น เ, เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัธธรรมปรมัธิธรรมที่แสดงมาวันนี้นั้นเป็นธรรมะชั้นสูงเนียกว่าสูงสุดของพระพุทธศาสนาและ ก็เป็นธรรมที่สมควรแก่การศึกษาอย่างยิ่งถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็พยายามฟังให้บ่อยๆแล้วเกิดความเข้าใจเมื่อเข้าใจธรรมะปรมาทินี่เมื่อไรจิตนั้นก็ถือว่าสูงแล้วบุคคลผู้นั้นจะเป็นบุคคลที่ไม่มีการตกต่ําเป็นธรรมดาเรียกว่าปิดอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิง การปิดอบายภูมิอบายภูมิก็คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสี่ประการนั้นเรียกว่าอบายภูมิผู้ที่บำเพ็ญวิปัสสนาเข้าขันเข้าขั้นแห่งปรมัตนั้นย่อมปิดอบายภูมิทั้งสีนี้ได้ต่อไปก็นั่งสมาธิกันอีกสถาพักต่อไป